คนเห ك ่านั้ อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล من قوم فيها <تصفيق> ض ر ة و ع ش ي ا تلك الجنة. สุลาม م ่งเ م ه ا ل มว ا รั ل มุ่งเย م คุมว ه الله. ทางนั้นบอกอ า, ญญาที่ตัวเขาที่แล้วอาจารย์เลยไปสาญญาันะ่งยาก่อนที่จาอาจารย์เลยไปสอาญญา่ยา ไ, 40, 45, ไ, ไม่ใช่สิบห้ายี่ใช่ย่สิบส20ร้อยอ๋อสองร้ี่สิบห้าครับสี่สิบห้า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم รอ ل ิษ ا ل นและอธ و ษฐานอี ر ครั้ง ل ่า ل ราอุทิศต่อพระเจ้า ل ้ ق ยก ا ت و ا ل ษฐ ا น ا ละอธิษฐา ا อีก آ ي ا ت งว่าเรา ة น2่สองสามสิบนะครับพี่น้องเปิดกุรานหน้าห้าร้อยเปิดกุรานหน้าห้าร้อยได้เลยนะครับอายะที่ี่สิบสองหน้าไม่เหมือนกันเนี่ยหน้าไม่เท่ากันหน้าไม่เท่ากันอออายะที่ี่สิบสองครับยี่สิบสอง สองสามสิบอันมายังไงจัดเจอยี่สิบสองยี่บสองเจ็ อันตราย و َ خ َ ل ق الله السماوات والأرض بالحق ว่า خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ولتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ ِ م َ ا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا ي ُ غ ْ ل َ م ُ و ن َ ه ُ م ْ لَا يُغْلَمُونَ أ ف ر أ ا إ ه ه ه ََ ي ت ه ه ه َ من َ اتخذ ََّ إلهه َ هوى و أ َ ل ل ه الله على عيني عل عل و خ َ م ه, ه على سمعه وقلبه ว َجَعَلَ ع َลَบ غ َีริชาวะว่าจะแล้วกลับศ ل ีริช فمن ี่ ه ะดีมิ่ فمن ีَ่ะดีมิَ่บัดเดลาอัล ا ل ل ลาห์ ا َทําให้ทําให้ ر ําให้ทําให้ท ด ن นียาลมูต حيا و ู้ความว่าอ ا ยาแ حيا ว่ามายุนว่ลิคนาอิ อินุมอิ ي ลาญุนนุน وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان خ ج ت ه م إلا إ ิลล้า ا ل ลอ ن ا ล้า ا ت ลก๊า ا ุ ت ุ ن ا าบา ن แล้วจะพูดอะไ ربهم في رحمتي، ذلك هو الفوز المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجائات أعمالنا ما يده الله ولا م ج ل ل ا وما ي د ل ل فلا هادي له وشهد ولا إله إلا الله عز وجل وشهد محمد عبده ورسوله اللهم ن ك أصبحنا و ن ك أمسينا و ن ع ا ك نحيا و َ ب ِ ك َ ن َ ا م ُ و ت ُ وَإِلَيْكَ ن ُ س ُ ر ا ل ل َّ ه ُ م َ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي و َ أ َ ن ا عَبَدُكَ وَأَنَا عَلَى ع ِ د ِ ك َ وَوَعْدِكَ م َ س ْ ت َ ع ْ ت ا ُ أ َ ب ُ و ُ ل َ ك َ بِنِعْمَتِكَ ع َ ل َ ي وَأَبُوُ بِذَنْبِهِ ف َ ق ي ل ِ ل ف ْ ن و ل ا ي ِ ي ل َ ن و ب إ ِ ل ا أ ن ت َ ا ل ل ّ ه ُ م َ إ ن ي أ َ ع و ذ ِ ك َ م ص ن ْ อัลลอฮฺเราบนอัลลอฮฺฟิตุลอรตินอิสลามและคำสอนิ ل ا ص และศาสนาของศาสดาผู้เป็นอั ن ลอฮฺมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮ ل ل ะหลินฺวะสัลลัมแะศาสาผูลลอฮฺอับีนอิบราฮิมผู้เปันมุสลิมและผู้ไม่เป็มุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมะละฮ์มัตุลอฮฺบารัดกาตุครัรครับขอบคุณอัลลอฮุตลาแวันนี้มาสอนได้นะครับ การเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่ใชเกิดเองเอลเลกําหน ด, ดมานะโทษวันเวลาก็ไม่ได้อลเลาะห์ให้เป็นอลเลาให้ตายอาลเลาให้เจบเอลัลเลาะห์ให้ป่วยในการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ถ้าเราอดทนละมันกนอมาอัลเลาจะลดโทษความผิดของเราที่มีอยู่ทั้งหมดจะทําให้บ้านนี้บรรากาศต้องทํากี่ข้อนะ แปดข้อเมื่อทิติแล้วแล้วล่าให้ฟังซีนวันนี้เล่าใหม่มีการทบทวนจะให้บ้านมีบรรากัข้อที่หนึน่งตอนเข้าบ้านให้อ่านดุอาหรืออ่านบนิสมิลลาฮีดุอาเข้าบ้านมีใช่ไหมอัลลอุมะอินนีอัสอลลกฮ์ไครอัลมาลจีวะไคลร์อลมาฮรัดจีบิสมิลลาฮีวะลจนาวะบิสมิลลาฮีฮูรันา อัลลอฮฺเรา บ, บนาตะวักข์ขนะเรื่องที่สองให้อ่านกลุ่อ่านในบ้านเรื่องที่สามให้กล่าวคำว่าอัสตฟฟัฟยูุลลอห์เนี่ยในบ้านเยอะๆทําให้บ้านมีบรกิการข้อที่สี่เวลาได้เวลาละมาเนี่ยเรียกคนในบ้านละมาพร้อมๆกันลดเรียกมาลมาที่สุราพร้อมๆกันทําให้บ้านท่านมีบรกิการข้อที่ห้า ให้มันบริจาคจากบ้านเลยวันละแขกมายืนหน้าบ้านคนก็ทวงค่าทานมายอย่าล่อย่าจะเพิ่มนะมีน้องมีม้าก็ใหม้ม้ามีน้อยก็ให้น้อยไม่มีก็พูดจาดีๆหรืออินพารามสองเม็ดสองเม็ดก็บริจาคให้กับคนที่มายืนขอหน้าบ้านถ้าที่บ้านมีออฟฟิศมีร้านให้เปิดแต่ชชเช้าเช้าอัลลอฮ์นี่ใครสั่งอย่างเนี้นบีสั่งนะ แล้วก็ให้มอ้อไม้ตนต่ออัลลอฮ์ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านนี่ยแปดข้อนี้ทำให้บ้านท่านมีบรารกัดเพราะบ้านนาบีเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครเลยแล้วก็ส่งอาหารให้กันนะบ้างเล็ก น, น้อยนิดน่ครับวันนี้อายาที่เท่าไหร่นะยี่สิบสองแหละ و و ว่า خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق ันแปลว่าได้สร้างคอล้ก็แปลว่าคิดเอลาได้ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยไม่มีแปลนนะไม่มีแปลนมาก่อนชั้นฟ้าทั้งเจ็ดวันอารบิลฮันดีอัลลอฮ์ก็สร้างมาไม่มีแปลนด้วย บิลฮักเป็นความจริงสร้างมาเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้หลักฐานนี้ชัดเจนว่าลอไม่ผู้สร้างไม่ใช่เกิดขึ้นเองคนที่เชื่อว่าลอสร้างเนี่ยคนในอัคีดาคนนี้ถูกต้องแต่คนที่ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดนี้เกิดมาเองเนี่ยอัคคีดาผิดไม่มีอะไรเกิดเคยเองบนโลกใบ น, นี้วันีตุเจจา กุฏิยาบอกว่าถูกตอบแทนกุลูทุกๆนับเส้นชีวิตแต่ละคนแต่ละคนนั้นบีมาเกาิบัตสิ่งที่เขาได้ประกอบไว้เขาจะถูกตอบแทนสิ่งที่เขาได้ประกอบไว้ทั้งหมดเขาทําอะไรไหวบนรุญยาใบนี้เนี่ยจะไปทําที่ไหนก็ตามคนเดียวหรือทํากับยมมาอาหรือแอบทําที่ไหนก็ตามอันเราจะตอบแทนทั้งหมด จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันเราจะตอบแทนทั้งหมดอันร้อนน่ากลัวมากนะว่าลีตูจะจากเขาจะถูกตอบแทนปุนลุนับสินทุกๆุกชีวิตบีมากาซาบตามที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ว่าฮุมลายุสละโมลแล้พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมมาถึงลกยอนต์จะเพิ่มเติมแม้แต่นิดทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ทําไม่ได้ทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่ว ต่อมาอายาที hmm. mm ่20 23อัฟร์รออยต์ท่านเคยนี่ล l บอกกับนบีนบีเคยสังเกตไหมหรือบอกกับคนที่อ่านกุรอานอัฟรออยต์อัลลอฮเว่าเห็นอัฟรออย์คุณเคยสังเกตไหมมันผู้ที่อิตตากจ่ายุดอิลลาฮะหูเป็นพระเจ้ายึดอะไรครับ ขาว่าหูยึดอารมณ์ของเขาเป็นเป็นพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ตำหนินะไม่ใช่ชมคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ตาหนิไม่มีอัลกุรอนานญลาไหนที่ชมเลยมีแต่ตำหนิต่อว่าคนที่ยึดเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ยึดเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็คอยคอที่สองเอาดอนละอัลลอฮ์ทำให้เขาหลง อลมีนท عل ั้งๆที na, ่เขามีความรู้น uh, wow. ี่ยึดอารมณ์เป็นพระเจ้าความผิดมีอะไรบ้างหนึ่งอาบดละสองคอตมาเประปัสสาวะที่หนที่หูของเขาว่าพลดีหรือทรัพยหัวใจของเขาว่าจอะรอะบัิละอเคทาว่าคุมทั้งหมด วะมายาดีผู้ใดที่อัลลอฮ์ชี้ทางนำหลังจากหลังจากอัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะให้ทางนำที่ถูกต้องแล้วนอกจากอัลลอฮ์นอกจากความรู้ที่ผ่านอดีเท่านั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องอัฟาตาจากรูฟฟุชชันยังไม่ใช่ยังยังไม่ยังไม่รั่เหรือต่อมาอายาที่สี่ยี่สสี่อายานี้พูดถึงเรื่องคนคนยาฮิเลียะ คนในสมัยอาหรับแม้แต่คนในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนที่ไม่เชื่อว่าลอเนี่ให้เป็นให้ตายแต่เขาเชื่อว่าอะไรนะวันเวลาทําให้คนตายเวลาไม่สบายก็โทษวันเวลาเวลามีมุสีบ้าเดือดร้อนมากก็โทษเวลาโทษนน้นโทษนี้โทษนั้นโทษนี้โทษหมดเลยมุที่โทษเมียตัวเองก็มีเองอนี่เราทําน่นวำนถึงที่เกิดปัญหานี่ความจริงไม่ใช่ปัญหาที่เกิดนั้นมาจากใคร มาจากอัลลอ์ทั้งหมดในกูอ่านี้เตือนว่าก็รูกพวกเขาพูดว่าเหมือนคนยหญรียาคนมุสริ่พูดบอกว่ามาเฮาหายาตุนาชีวิตของเราบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรนามูตูเราตายวันนยาและเรามีชีวิตอยู่ว่ามายูลิกุนาไม่มีอะไรทําให้เราพินาศได้อิลลานอกจากอัดาลูวันเวลา นี่นะ่นคืออาวันเวลาเป็นอะไรนะเขาใช้บวันเวลาทําให้เขาป่วยทำวันเวลาทําให้เขาตายวันเวลาทําให้เขาจนทำบันเวลาจะไม่เกิดปัญหาอาคิดาผิดทั่ น, นี่ยะอัลลอฮฺประท า, านกุมาเรลงมาให้ฟังว่ามาละหุมบีซาลิกามีนอายมินพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความรู้อะไรรับรอง อินหุมพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากยาซูนนุนใช้บิชิดดาวดาวส่งเด็ดนึกเอาเองต้วนั้นเองตั้งแต่ยุคไหนมันจะเป็นยุคซีโนแล้วเนี่ย ว่าอิละตุธ ล, ล่า ع ل ي า م آ ي ا ت า ا بينات ตุธลาแปว่าถูกถูกสายายหรือถูกอ่านอ่ลายฮิมแก่พวกเขาเ ม, า ม, ามาืม่อเมื่อเมื่อคำพีคุรานถูกอ่านต่อห น, น้าพวกเขาพวกนี้มันก็ค้านมาหจยอดรวม ไม่มีหลักฐานใดๆแก่พวกเขาเลยนอกจากพวกเขาจะพูดว่าอย่างนี้อีตูจงนํามาปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาสักคนสองคนได้ไม่ใครจะได้เชื่อวันกิยามามีจริงคุณ น, นบีเนี่ยจะจะสอนเรื่องอัคดีดาเรื่องวันกิยามากมากตายแล้วต้องฟื้นตายแล้วไม่ได้ตายเลยตายแล้วต้องฟื้นขึ้นมาในโลก ในอาฟิรรคือคนบุชิกีนี่เชื่ออย่างนี้มีความเชื่อหลายอย่างเชื่อบอกว่าวันกิยมาม่ไม่มีบางคนเชื่อบอกมีแต่ว่าไม่มีการฟู้นคืนชีพบางคนไม่เชื่อเลยอิหม่ามคุณตุบีอธิบายไว้นะครับ <c oughs> อิตูบิอาบะอนาจงนําบรรบุย่าตายหญ่ของเราที่ตายไปแล้วนี่สักคนสองคนให้ฟื้นขึ้นมาได้ไหมอ่ะอิงกุนตุมงซอดีกินถ้านพระท่านทั้งหลายพูดจริงท่านนาบีพูดจริงมีจริงเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงให้คนแก่ๆที่ตายไปแล้วนะ่ะร้อยสองรอปีที่ผ่านมาให้ฟื้นมาสองคนสองคนเขาจะได้เชื่อว่าวัาวนกิยามานมีจริง พูดมาหมัดเออจงตอบเขาอัลลอฮฺยุฮยยยุมกลอเป็นผู้ให้มีชีวิตสุดให้คุณเจ้าให้คุกเจ้ามีชีวิตซุมมาอยู่นี่ทุกุมแล้วก็ให้ผู้ทราบตายบนบนต้นสุญญาไปนี้นะซุมมายาชมาทุกุมแล้วก็ให้มาถูกอารวมกันอีกครั้งหนึง่งให้ฟื้นขึ้นมาจากลงกุโบรวมกันอีกครั้งหนึง่งอีกในวันกิยามะลาไรบะฟิดโดยโดยไม่ต้องสงสัย ลารอยบาตไม่นะลาไม่มีข้อลาลอยแปลว่าสงสัยไม่มีข้อสงสัยมีวันกิยามาแน่ครับตายแล้วต้องฟื้นจริงครับไม่มีไม่มีข้อสงสัยใดๆจะได้มุสลิมต้องเชื่อตามคุรานนะเรามุสลิมทั่วโลกต้องเชื่อตามคุรานลารอยบาฟีวันกิยามามีจริงไม่ต้องสงสัย วลากินแต่ว่าอักษรนาคคนส่วนใหญ่ละยังละมูลไม่รู้หน้าที่ของเราคือต้องไปตับล็กเขาสอนเขาบอกเขาเตือนเขาเวลีละเป็นของอัลลอฮมูลกุสมาวาที่วัดอัลมูลกุบมาถึงอนาจักร มุลคุยไปว่าอาณาจักนะอาณาจากแห่งชันฟ้าทั้งหมดเป็นของอ AH, ัลลอฮ์วันอาเบลละแผ่นดินก็เป็นของอัลลอฮ์ใครคุยได้แบบเนี้ยไม่มีใครคุยนอะกจากอัลลอฮ์อง์เดียวเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดอาณาจากแห่งชันฟ้าเจ็ชนันทั้งหมดรวมาถึงมลายิกาทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหมดที่โคจร อ, อยู่บนท้องฟ้าเนี่ย เอารถจัดการดูแลหมดแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเดินชนกันด้วยนะสุขุมมิตรเดิน ช, ชนชนกันทุกวันใช่ไหมเศนนักเรียนก็ชนกันทุกวั น, นทั้งๆที่มีคนขับมีรถมีจราจรแล้วมีเส้นแดงขาวมีสีแยกตัวไรด้วยแต่ยังชนกันแต่มบนชานฟ้าในดวงดาวจานวนนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเดินชนกันใครบริหารครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราต้องกล่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ الحمد لله لا إله إلا الله الله وأكبر و ยามตะกุมุษะยาววันวันซึ่งตะกุมแว่าฟื้นขึ้นชุนชีดยืนขึ้นอาษะวันกิยามะเนี่ยเกิดขึ้นแน่ยาวมิรินวันนั้นเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องอัลลอฮ์ไม่เชื่อในวันกิยามัด ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเป็นยังไงครับยักษ์ซัดประวัตข า, าทุนโมบติรุนคนชั่วชั่วคนเนคร็วเรนี่ขาดทุนหมดเลยยกเว้นคนกลุ่มอีมานเท่านั้นที่ปลอดภัยเราก็เล่าต่อไปอีกภาพของคนชาวชาวขาของคนในวันเกีย่ยมานี้นะครับวัตารอมะหมัด ถ้าคุณสามารถเห็นได้กุลอาุ ม, มาตินทุกๆุประชาชาติตั้งแต่แสมัยอาดามเรื่อยมานะยาศิษยกตรนะว่าคุกเขา่าถามว่าคุกเข่าทำไมลนะกลัวครับคุกเข่าตอนไหนตอนคิดบัญชีนบีพูดเลยว่าฉันกลัวสามแห่งตอนคิดบัญชีตอนข้ามสะพานตอนช่างต่ช่าง ใค่กลัวมึกลัวจะไม่ผ่านในขณะ น, นบียังกลัวลแล้วเราไม่กลัวได้เลยอ่ะวะตารอคุลอุมมติมยาเซียมุมัดอลัลลอฮ์ น, นบีฝั่งท่านจะเห็นนะครับทุกประชาชาติตั้งแต่ยุคอาดามเรื่อยมาเนี่ยยาเซียแปลว่าคุกเขา่าคุลอุมมติมทุกประชาชาติ ตัวถูกเรียกอีกทกิตตกิตติ์ตรงนี้ธรรมดาแปลว่าคัมภี์แต่ตรงนี้มาจะแปลว่าคำภีแบบอะไรมนะันสมุดบันทึกสมุดบันทึกแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้มีแล้วนะอยู่ที่มรดยิกามีละมือขอมือเราเนี่ยดูซ้ายมือขวาเนี่ยถูกเก็บเอาไว้หมดแล้วสมุดบัญชีมีที่เรานำะมาสุบอมมาชาวถูกบันทึกแล้ว ที่เราตื่นนมาศตาะฮัจยุสเมื่อคืนนะ่ะก็มีบัญมีสบีมีการบันทึกเก็บไว้ที่ถือบวชเมื่อวานนี้ก็มีมีมีบัญชีเก็บเอาไว้เรียกว่ากีตาบในวันกิยามาเนี่ยเขาจะเรียกมาดูสมุดบัญชีของคุณแต่ละคนแต่ละคนที่มาเลก์กาเขียนเอาไว้เอา เ, อาเอาปิดดูพอเปิดก็เจอหมดเลยจะเป็นหน้าไหนก็ตามพอเจอพร ะ, ระโหนี่ใช่เลยใช่เลยนี้ไม่พ้น กูรูอุมะตินตุดาทุกทุกประชาชาิถูกเรียกให้ไปดูกิตาบิฮะสมุดบัญชีของเขาสมุดบัญชีมีไหมมีครับแต่ละคนมีทุกคนเราต้องนึกตรงนี้ด้วยนะสมุดบัญชีมีนสมุดบัญชีมีนี่ครถ้ามีความดีทั้งหมดมันก็ยิ้มออกใช่ไหมละ่ะถ้ามีชั่วด้วยจะเป็นไงยิ้มไม่ออก แต่นั้นขอให้สมุดบัญชีมีแต่ความดีอย่างเดียวนะและถ้ามีความชั่วอยู่ทาําไงวิธีลบวิธีลบความชั่วออกจากสมุดบัญชีให้ทําตัวไงเตาอะไรเต่าบ้าอย่างเดียวให้เลิกทําความผิดที่ทํามาในอดีตเรื่เงิน เ, เรื่องทองก็ต้องคืนเจ้าของเขาถึงจะหมดนิ่งหมดเศนกันถ้าไม่มีก็ต้องไปหาที่บ้านไปคุยกันบว่าฉันเป็นหนี้คุณได้ สหันบาทต้องหลายปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยแต่แต่วันนี้ไปขอใช้วันละหา บ, าบาทวันละสิบาทเดือนละร้ อ, รอเดือนสอง ร, ร้อยก่็ค่อยใจรจาไค่อยคุยกหรือไปรอจากวันอีกกายัางดีอีลาคิตาบิฮะคิตาหมายชีมายชกุรอาจะหมายถึงสมุดสมุดสมุดบันทึก ประจำวันของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอนยายุเอาบ่สิบวันเกียยมานั่นตุจะเจ้าน่าจะ ถ, ถูกตอบแทนมากุนตุ้มจา ม, มาลู่ในสิ่งที่พวกท่านทังหลายได้ปฏิบัติเอาไว้ทําอะไรไว้มีรางวัลหมดน้ำหมานก็มีรางวัลหัวเราะก็มีรางวัลทําดีกับภริยาก็มีรางวัลทําดีกับพ่อแม่ก็มีรางวัลทําดีกับลูกก็มีรางวัล ทำดีกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงมีรางวัลหมดถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่ทําแล้วไม่มีรางวาัลเนี่ยอัลลอฮ์ละนะคัมรุอานตุเจ้าเจ้าน่กกานานะมาคุณตุมตา ม, มาลูลต่อมากับญาตยี่สิบเก้ฮาจากิตาบุนานี่คือไม่ใช่คัมภีร์ุอ่านนี่คือสมุดบัญชีของของเราที่เราให้มล า, ายกาบันทึกเรื่องราวของคุณเนี่ย ยันติโกบอกว่ า, วาพูดอะไรกุมพูดค้านสรูรเจ้าเป็นความจริงทั้งหมดสมุดบันทึกเป็นความจริงทั้งหมดไอ้ป่า ก, ก็จะถามว่าทำป่าป่าไม่ได้ทําแต่สมุดบัญชีมันเปิดชาบธรรมฉะนั้นในคำสมุดบันทึกของเราเนี่ยพูดค้านสูเจ้าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดลองเล่า ล, ล, ล่วงหน้าให้ฟังก่อนเพื่อให้เราอิมานเพิ่มขึ้น อินนาคุณาณสตันเซคูแท้จริงเราได้ไเด้คัดลอกให้มันในการได้คัดลอกคําพูดหรือการการปฏิบัติของเราแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะอย่างฟ ah, าโรทําอะไรไว้เนี่ยอัลลอฮ์คัดได้คัดลอกการปฏิบัติของเขาว่าแต่ละเรื่องหมดเลยเนี่ยฮามานกอรูนเฟืองโอนฮามานกอรูน แม้แต่เรื่องของน บ, บีน บ, บีมุ h มัด a d จะไหมที่ขึ้นเมอยรอดวะนั่งกระถูกบันทึกหมดเลยเล่าให้ให้น บ, บีลงมาจากเมอยรอดเจอไซนาบิลานเหตุไซนาบิลานเดออยู่ในสวนสารสวรรค์ถามไซนาบิลาน ว, ว่าคุณทําอะไ ร, รอยู่ที่อัลลอฮ์พอใจให้คุณเข้าสวรรค์ก่อนชั้นอีกมาเลยท่านไซนาบิลันตอบว่าฉันอาบน้ําน้ำมาด แล้วก็อาบแล้วก็นำมาสวงแล้วอาบหลังจากนำมาส์หลังจากอาบน้านำมาส์แล้วเป็นความดีเห็นไหมนั่นมันเชื้อเพื่เก็บไปหมดเลยของที่นารีนารีถามใไส น, นาบิลานก็ยังถูกมันเชื้อเอาไว้แล้วก็เรื่องของอที่อร่อยแหละจะไม่จะ จ, ะจะไปมาเชื้เราจะมาเชื้อหมดมนัสตานซื้คู่เราเราคัดลอก มาคุณตุมตะมาลูนสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้หลวงแบบคาพูดก็ไม่หายไปไหนการปฏิบัติก็ไม่หายไปไหนนะถูกบันทึกหมดเลยผมยังกลัวมันทำบาปไปเรื่องนึงนะ่ะนึกกลัวมากเลยฮามดゥลิลลาอัสตากุรุลลอฮฺอัสตากุรุลลอฮอัสตารุลลอฮอัสต่รุลลอฮอตาลลอาตอมาอาญาที่ สามบฝ่ลลันละที่น่าอัมานุส่วนบรรดาผู้ที่มี إيمان ต่อลลอมาดูอลอชมอะไรคนที่มี إيمان ต่ออลอฮ์เป็นไงครับว่ามิสอลิฮแล้วก็ตอนมีอมัที่ส่ล้ยครอพูด ก, กันนะฝ่ายุคือลูหั น, นั้นมีการสอบสวนอลอฮพาข้าสวรรค์อาตลยุว่าถูกให้วเขานั้น เข้าไปอยู่ในความเมตตาของพระองค์ไปยูดัชรลูหุมรอ บ, บูหุมฟรีรอห์มติฮีอยู่ในความเมตตาของพระองค์คนที่มีอิมาดีานะแล้วก็มีอามานเจสซอแลเนในวันเกม่มาไม่ถูกสอบเยอะอลัลลอพระผู้็นบารมีพวกเขาจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ซาลิกานั่นคือฮุลฟาซุลโมบินฟอรอตตัวความสําเร็จโมบินอันยิ่งใหญ่ เรคนมีมันกับโคจินญาอมันจะสอนอะไรเนีปลอดภัยไหมปลอดภัยกันอมันดูคนกับคนค น, คนช่วยอีกว่าอมร ล, ลีนากาฟารูส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัมาจากคนกคนคาเ ฟ, ฟ่หรือปฏิเสธองก์การหรือว่าเชื่อบางสิง่งแล้วไม่เชื่อบางสิง่งอฟัฟลามจากูนอายาตีจะมีถามกันในวันนั้นว่า สัญญาของเราเนี่ยมาถึงคำัำผิดกุณอ่านที่อัลลอฮ์ทรงนบีมาสอนสอนสอนสอนเนี่ยไม่ได้ถูกอ่านเสนอให้พวกท่านหรือพอเสนอแล้วอัสตักบาตัมพวกท่านทั้งหลายก็โอหังและอวดดีอิสตักบาตัมแปลว่าโอหงังอวดดีปฏิเสธหาหลังว่าคุณตุมเกา ม, าม่อมมจินีพวกท่านเป็นหมู่ชนที่ ชั่วมุจลิมคนเลวสังเกตในกะุอ่านอาจัจตลจิยะเนี่ยไม่ไม่มีพูดเตือนให้เราคิดถึงวันเกีย ม, มากหมดเลยสังเกตนะอาครอวความสำเร็จคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์ต่อมาอายาที่ไรนะ สา <32. S 2> มสนะิบสองฮะมัล้นไอ่านต่ออีกมั้งว่าติดนานนะจ๊นะเว้ยถ้าไม่บ้านนี้บริการทางทากี่ขอนะ แปดข้อหนึ่งให้ให้กล่าวบิสมิลลาตอนเข้าบ้านสองให้อ่านกุรานในบ้านสามให้กล่าวอิสติฟารในบ้านข้อสีให้บริจาคกันในบ้านเราทำอะไรอีกให้ ก, กล่าวอัสลามุลลอฮ์ในบ้านให้ตาบ้าตัวต่อรอกันในบ้านนั่นแหละ แล้วก็ถ้าที่บ้านมีออฟฟิศมีที่ทำงานให้เปิดทำงานตั้งแต่เชา้ามาจะรอส0บโมงย0สบเโมงเที่ยงวันเดือนลมาตอนหยุดอายุไหนหยุดได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ให้ลูกน้องก็อยู่มันจะเราหยุดให้พนัก ง, งานอนยหยุดแต่ต้องให้เงินเดือนเพิ่มเนึ่ยนะไมไ่ตัดเงินเดือนเขา ให้ตระว่ากันต่อลรอดในบ้านครับในบ้านสถานที่มัชดาคนนินทาคนนะเป็นสถานที่ชาติคำน้อัสล่าครรุลลอฮ์ตระว่ากันตัวลัลลอฮ์อัสตัฟฟิรุลลอฮ์ตระว่ากันตัวอัลลอฮ์แล้วก็เตือนกันในบ้านให้ผู้จารีๆีให้อ่านกุรานในที่ครูรุลลอฮ์พอได้เวลานมาก็บอกให้นมาดหรือไม่ก็เตือนให้ไปนมาดที่มัสยิด ภรรยาก็มีส่วนช่วยให้สามีเป็นคนดีได้ดีนะเพราะ้นเวล า, าพี่ๆไปนมาสุราไปทำดีเวลาตกลงว่าทําให้บ้านมีบุญการมแปดข้อนั้นหนึ่งให้อ่านบิสมิลลาห์ตอนจะข้าวบ้านสองให้อ่านกุณอานในบ้านสามให้ขออาภัยโทษอัสตักย์ไปรุ่นลอยในบ้านนำมาในบ้า น, น, าา น, น, านแล้วก็ชวนลูกๆห ล, ล, ลานๆให้นำมาให้หมด มันบริจาค จ, จากบ้านเลยนะครับแล้วก็ทํามีออฟฟิศที่ทํางานในบ้านให้เปิดทํางานแต่เช้าแล้วก็ให้มอบหมายตนต่อรอนพูดกันในบ้านเลยนะนี่มอบหมายตนต่อรอนนะทําเพื่ออาล่อให้หมดนะแล้วข้อที่แปดก็คือให้ติดต่อเพื่อนบ้านเอยากท้อลออ ก, ก็เพื่อนบ้านนี่อิสลามสอนดีไหมเนี่ย กฝรั่งอัาไปใช้แต่เราทำเป็นเราสูตรมาสอนเราเองคำมักคิตรัตในกิดตามยังกพีคุรานสองสามยาที่ผ่านมาไม่ใช่คำพีเป็นหมายทียบสมบุดสมุด บ, บัญชีของเราเองนะคนที่ไม่เอาอิสลามวันนี้เนี่ยหนักนะ ไม่รู้จักอลัลลอ์วันนี้หนักคนที่ไม่เชื่อวันเกียมาเนี่ก็หนักในวันเกียมาเนี่ยหนักมากเลยครับคนที่ย่อเ ย, อเยอ้ยกูรานของมันการถูกลงโทษหมดอลัลลอฮ์คัดลอกเรื่องของเขา ที่สำคัญสำคัญเก็บเอาไว้เอาไปแช่ในวันกียามากนก็หลายคนนลงข่าวเยมากหนอนอยู่ในตัวเต็มไปหมดเลยน่ะมียิ อ, อยู่คนหนึ่งน่ะลอเรียนคุรานเผาว่าคุรานเหยียบย่างวันคุรานเนี่ยรอให้หนอนเต็มตัวทั้งที่มีหมอเจ็ดแปคนที่อยู่ในบ้านอามอนเอาหนอนออกไม่ได้ ยาเสยยไปวันนั่งคุกเข่านะทั้งมือทั้งทั้งสอกลงคุกเขา่าต่อหน้าอาลัลลอ์นะกลัวการคิดบัญชีนี่มันเรื่องจริงนะนี่อลัลลอฮ์เล่าภาพให้เราฟาังก่อนอย่างนี้พวอาลัยนี้ยอะเยยนาบีอีกเอ็งพูดอะไรวะนั่งคุกเขา่า สภาพในวันเกียมาเนี่ยมี ม, มีมีหลายเหตุการณ์นะข้อที่หนึ่งนั่งคุกเขา่าขอ้ขอที่สองเปิดสมุดบัญชีเจอตัวเองเราทำอะไรไวามีหมดเลยวันเกียมาก่อนจะไปสวรรค์ น, นี่ต้องผ่านอีกสิบสองสิบสามขั้นตอนนะ น, นะหนึ่งนอนอยู่ในกูโบ ถูกเป่าสังแล้วก็ฟื้นขึ้นมาถูถูถเรียกไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดแล้วก็ช่างจะช่างคิดบัญชีอ๋ลเราก็สอบสวนอีกลแล้วล อ, อ๋อในงานใหญ่หมดเลยขึ้นสะพาน ร, รอดอี ก, ออวะวะกางน า, านใหญ่หมดเลยลขึ้นสะพานสิรอดอีกแลอ๋าห่หลนะสรอดอีกวอในานดเลยขึนสะพานรอดอใาหหมดเลยขะพาแ้อนห่มดเลยขั้นสอพนสอีล้อนาน่ขั้นตอนเดียวนะ้วอ๋อในงานม กัรคิดบัญชีเนี่ยนั่งคุกข่าวแล้วแล้วก็แล้วก็ช่วงอื่นดีล่ะการอิมันตัวช่วยให้เราปลอดภัยอย่างอื่นไม่มีครับแล้วก็เรียนศาสนาซะฟังศาสนาแล้วนำมาไปปฏิบัติเดินตามสุนารนาดีเนี่ยให้อภัยกับภรรยาวันละเจ็ดสิบครั้ง เอาเงินในภริยาใช้หวังรางวัลตอบแทนจากกาลร้องให้หมดอย่าตบหน้าภรรยาไม่ได้เลยนะเลาอเอาเรื่องในวันเกิดมาจะเจ้าหน้าไว้ไหนดูนบีเป็นแบบนบีบีภริยากันหลายคนไม่เคยทะเลาะ ก, กับภริยาเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีนอนกับภรรยาคนนึงแล้วก็ตื่นไปเข้าห้องน้ํา ภรยาครัมโเอานาบีหนีไปแล้วนึกก็ไปหาภรยาคนที่อื่นก็ล็อกประตูพอล็อกประตูเสร็จนบีมาเคาะประตูเปิดหน่อยภรยาฉันไม่เปิดแต่่มีละ่ะมีภรยาก็ตําหนีนะนอนอยู่กับภรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็หนีไปนอนอีกคนหนึ่งนบีฉันฉันไม่ได้ไปจะเข้าห้องน้ําฉันไม่เชื่อภรยาต่อแล้วงนั้นเลยว่านาบีไม่เคยพูดโกหกเพราะว่าอย่างนั้นก็ะโผลประตู ดิบรียลงมาหนัวยิ้ม น, น, นะอย่าโมโหนะยิ้มโดยการให้ภรภรร ย, ยาเจวันใน70สิครั้งเนี่ยเป็นศาสนาเนี่ยทำให้ให้บ้านมีบร ร, รายารกนนาศด้วยสามีภรรยาทะเลากันใครเทียดด้วยเปล่าลูก เอาระดําไหนก็ตามถ้าสารมีศาสนาไม่มีไม่ให้อภยัยไม่เอาสุนทรนรีมาใช้นี่ค่ะยัง ม, มีบรรยากาศในชีวิตเรโลูกเครียดหมดหนยที่ลูกนี้ออกจากบ้านก็เพร อ, อย่างนี้แหละไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไปเจอเพื่อนพูดจาดีๆไปอยู่กับเพื่อนเลยฉะนั้นพ่อแม่ตัวเอาสุนทรนบีมาใชา้ ให้อภัยพยาวันละเจ็ครั้งอาฟูอันหากุลเลียวมิมลซาหนามารตลให้สามีอภัยพยาวันละเจเจ็ครั้งใครสอนในโลกนี้นี่ใครสอนครับนอกจากนาบีมุฮัมมัดเท่านั้นที่สอนอย่างนี้ มีรั า, ามาันก็สุดที่หน้าจบสุรยาญาติญานะแล้วขึ้นสุรอะไรอสีสุอาคอฟอาคอฟอิสซาลอฮ์อาทิตย์กันดีมหาวิทยาลัยนะตัามองนารอบเบียยเสียชีวิตมาวันมาวันสุเนีย เสียชีวิตตอนหลังนมาศศาสตร์ฝังนมา ต, ตอนสี่ทุ่มได้ไหมเราไม่เคยได้ยินคนนำว่านมาศสี่ทุ่มนะมนมพิจนะมาชาภูญนี้ยังไงตอนนี้เป็นอธิการบดีมหาวิทายัยคนนมาเป็นแสนแนนะ่ๆนมาศสี่ทุ่มตนกลางคืน นี่คนไลฟ์ไปน้องฟังไปคิดนะเสียชีวิตหลังนำมานออสรีของนำมันจะนด้เรงตอนี่ทุ่มนะสี่ทุ่มที่ประเทศอินเดียที่นัดว่าที่ลับเาอธิการดีมหาวิทยาลัยนั่ว่าออนอโรบิยเราหินมาคุ่มละ กูอ่านทุกอายะมีความหมายหมดเลยนะอ้อนทุนการะุนะัลลฮุมวะบิฮัมดิะุลลฮัะอันะัุกับะบะเล์บรลลัลลอฮุอะลัยฮัมมอะลัอาลัวะสาดีอัจมน พ่อหมอในบ้าน